สมเด็จพระมหาธิรราชเจ้าสเสด็จมาในวันมาคบบูชาพุทธศักราช2515ในส่วนลึกของจิตใจทุกคนกลัวตายด้วยกันทั้งนั้นปากเขาจะว่าอย่างไรก็ตามแต่ความตายคือสิ่งที่เขาพรั่นพรึงนักไม่อยากให้มันมาถึงตัว เพราะทุกคนตระหนักแน่ว่าหากสิ้นลมหายใจเมื่อไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยมีเคยได้เคยอยู่เคยสุบสำราญบานใจเคยคว้าขวายเคล้าคลึงเคยรักเคยหวงแหนจะต้องพลัดพรากจากไปไม่มีวันพบเห็นกันอีกยังความเจ็บปวดทรมานที่จะต้องประสบก่อนตายอีกเล่าใครว่าไม่กลัวตายยกเว้นพระอรหันต์ตัดเจ้าแล้ว อย่าได้ฟังให้เสียเวลาเลยความรู้สึกหวาดสะดุ้งต่อภัยเป็นสิ่งหนึ่งในสัญชาตญาณหรือความรู้ที่มีมาแต่กำเนิดไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์รู้จักกลัวรู้จักหวาดสะดุ้งต่อภัยด้วยกันไม่มีเว้น ใจของผู้เขียนครุ่นคิดเรื่องนี้ขณะที่จับจ้องร่างคุณสีเพนซึ่งนุ่งขาวห่มขาวผมผ้าขาวสบายเฉียงสยายผมประบ่ามีสายประคำคล้องคอค่อยๆลุกขึ้นจากท่านั่งขัดสมาธิในตาหลับสนิทหายใจลึกมีเสียงดังหลังจากที่เข้าทรงมากกว่า20นาทีแล้วร่างคุณสีเพนซึ่งยังอยู่ในภวัง ค่อยๆลุกขึ้นยืนงนเงนอาจารย์พรรัตนสุวรรณประคองไหลเพื่อป้องกันนี่ให้ล้มร่างในชุดนุ่งขาวห่มขาวยึดยืนขึ้นอย่างสง่าเท้าทั้งสองแยกกันเล็กน้อยมือซ้ายไพลหลังมือและแขนขวาทอดไปข้างตัวผู้เขียนจ้องมองด้วยความสงสัยว่าเขาจะทำอะไรต่อไป ฉับพันต้องขนลุกสู้ไปทั้งตัวรู้สึกว่าศีรษะพองโตขึ้นชั่วขณะเมื่อมีเสียงห้าวชัดถ้อยชัดคำเปล่งออกมาจากร่างคุณสีเพนความตายไม่ยกเว้นใครๆตายแน่อย่าสงสัยอย่าเศร้าอย่าห่วงสิ่งใดๆทั้งหมดประคองจิตอย่าเร่งเร้ามุ่งให้ตายดี ผู้เขียนระลึกในทันทีนั้นเองว่าคำพูดที่ออกมานั้นเป็นโครงสี่สุภาพเสียงจากร่างคุณสีเพนดังกังวานต่อไปเสียงหายใจยาวฟืดฟาดเป็นระยะกล้าตายอย่างออกสู้สงครามเห็นทุกข์ที่ติดตามบีบคั้นทุกจริงแต่รูปนามดอกทุกข์จงอย่ายึด ถือรั้นเร่งรู้ธรรมดาความตายความเจ็บไข้ความแก่สามสิ่งไซส์เคลื่อนเข้ามาเหมือนไฟลามบ่มีพลังเครื่องกั้นบ่มีฝีเท้าดุมดันเพื่อลีหนีไปเสียงเงียบไปเป็นครู่อาจารย์พรถามขึ้นว่า อยากทราบว่าท่านผู้ใดามาเข้าทรงแต่ร่างคุณสีเพนไม่ได้ตอบเป็นแต่ยืนมือไพล่หลังงวนเยนหายใจหนักๆอยู่เช่นเดิมครู่ต่อมาจึงมีเสียงอีกประโยคหนึ่งว่าเราจำต้องลาไปก่อนแล้วร่างคุณสีเพนก็ค่อยๆอ่อนเข่าสุดลงทั้งคู่อาจารย์พรและสุภาพสตรีอีกผู้หนึ่งที่นั่งข้างหน้าช่วยกันประคองร่างคุณสีเพนที่อ่อนปวกเปียกนั้น ให้นอนหงายหาหมอนให้หนุนผู้เขียนขอเข้าไปดูใกล้ๆเห็นคุณสีเพ็ญ น, นอนหลับตาหายใจหนักๆ ห, หน้าซีดเหงื่อซึมทั้งใบหน้าและลำคอจับชีพจรนับได้120ต่อ น, นาทีแสดงว่าเหนื่อยมากเรากับเพิ่งวิ่งมาจากทางไกลพลิกเปลือกตาดูก็ปรากฏว่าอยู่ในลักษณะหลับสนิท ในตามีสายเลือดข้างเล็กน้อยร่างกายส่วนอื่นไม่พบสิ่งใดผิดธรรมดาอีกราว10นาทีต่อมาคุณสีเพนก็ขยับตัวลืมตาแล้วลุกขึ้นนั่งได้ปกติผู้เขียนเพิ่งเคยเห็นการเข้าทรงของคุณสีเพนเป็นครั้งแรกในคืนมาคาบูชาที่28กุมภาพันธ์สองหานึ้นี่เอง การเข้าทรงเชิญวิญญาณใครต่อใครมาประทับทรงนั้นผู้เขียนเคยเห็นเคยสนใจเข้าไปดูมามากต่อมากแต่ไม่เคยพบว่ารายใดเป็นเช่นคุณสีเพนในคืนนั้นสิ่งแรกที่ผู้เขียนแน่ใจคือคุณสีเพนไม่ได้แ้างทากิริยาต่างๆางอย่างคนทรงอื่นเขากระทำกันไม่มีการจุดธูปมาถือประนมไม่มีทาตัวสันระรัวหรือโยกแยกในตาปรหลับประเลือกหรือดิ้นตุ้มตาเหมือนที่อื่น ซึ่งล้วนเป็นการทำลายศรัทธาคืนนั้นผู้เขียนไปถึงสำนักของอาจารย์พรเมื่อ19บนาฬกา30นาทีทราบจากอาจารย์พรว่าก่อนหน้านั้นมีการสวดมนต์ทำวัดเพราะเป็นคืนมาคบูชามีสิทธิ์และผู้สนใจมาชุมนุมอยู่กว่า30คนมีพระภิกษุนั่งเก้าอี้ดูอยู่ด้วยรูปหนึ่งผู้เขียนนั่งใกล้ท่านตลอดเวลา สังเกตได้ว่าท่านสนใจคอยดูอยู่ทุกอิรยาบทเหมือนผู้เขียนหลังจากคุณสีเพนนั่งขัดสมาธิอยู่หน้าโต๊ะหมู่บูชามือประสานวางกับตักหลับตาถอนใจยาวอยู่ครู่หนึ่งแบบเดียวกับการเข้าสมาธิทั่วไปก็ปรากฏว่ามีโอปปปาติกะมาเข้าทรงรายละเอียดอื่น ท่านที่สนใจจะอ่านได้จากข้อเขียนของอาจารย์พรในหนังสือเล่มเดียวกันนี้ที่ประทับใจผู้เขียนมากคือคำลงท้ายในการเทศนาของโอปปาติกาพอฟังก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นโครงสี่สุภาพบทหนึ่งและผู้ชงัปิยาชันอีกสองบทผู้เขียนได้กล่าวเช่นนี้กลางที่ชุมนุมในคืนนั้น สังเกตได้ว่าในหนังสือวิญญาณชุดที่8ฉบับที่สองกุมภาพันธ์2515ก็มีคำเทศนาของหลวงพ่อสมเด็จพิมพ์ไว้ในหน้า35แต่หาได้มีผู้ใดสังเกตมาก่อนไม่จนกระทั่งผู้เขียนได้มาฟังจากปากคนทรงเองจึงรู้ได้ว่าเป็นโครงและฉันครั้นย้อนกลับไปดูวิญญาณฉบับดังกล่าวภายหลังก็เห็นพิมไว้อย่างร้อยแก้วและพบคาผิดอยู่สี่แห่ง หมายเหตุผู้อ่านในหนังสือได้เขียนคําผิดมายถึงการเขียนคําไว้ผิดนะครับแต่ออกเสียงถูกต้องแล้วทั้งนี้ตามที่ผู้เขียนได้ยินด้วยตนเองในเมื่อคืนที่28กุมภ า, าพานั 2015, พาพานธ์2515เมื่อเรียบเรียงรูปถ้อยคําที่บันทึกเสียงไว้ทั้งหมดเสียใหม่ก็จะได้คํพาลงท้ 2015, พายเทศนาวันมาคะบูชา2515 เอวังดังที่ได้แสดงมาสิ้นสุดเทศนาเท่านี้ควรแล้วแก่เวลายุยติเหยยใดชอบโปรดช่วยชี้ช่องให้คนเห็นประสาทพรสวัสดีเจริญสีเจริญชนเจริญสุขเจริญพลเจริญพันเสมอสมัยนิราชทุกนิราชโศกนิราชโรคนิราชภัย ประสงค์สันกุศลดก็จงสมประสงค์เทินขอได้โปรดพิจารณาด้วยใจเป็นธรรมว่าคุณสีเพนจะกล่าวถ้อยคำเหล่านี้โดยไม่มีผิดพลาดไม่ผิดบังคับของโครงและฉันทั้งคารุละหุและข้อบังคับตามอักษรวิธีและฉันทลักษ์ได้หรือไม่และยังโครงสีสุภาพอีกสองบทรายอีกบทหนึ่งล้วนมีเนื้อความที่ทราบซึ้งจับใจ ดังที่ขัดมาไว้ข้างต้นนั้นอีกเล่าผู้เขียนรู้จักคุณสีเพนมาหกปีแล้วไม่เคยทราบว่าเธอเป็นปฏิพานกวีหรือเป็นผู้ประพันธ์คำร้อยกรองไม่ว่าแบบใดๆมาก่อนเลยคนที่จะกล่าวคำร้อยกรองออกมาได้ไพเราะและไม่มีผิดพลาดแม้แต่คำเดียวพูดติดต่อจนจบไม่มีการแก้หรือแม้แต่หยุดคิดเช่นนี้ จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทางฉันทะลักอย่างยิ่งหลังจากใคร่ครวญตลอดแล้วผู้เขียนขอยืนยันว่าการเข้าส่งในคืนมาคบูชา2515านนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีการซักซ้อมหรือเสแสร้งแต่ประการใดเป็นการเข้าส่งที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่ผู้เขียนเคยเห็นมาเชื่อว่าต้องเป็นโอปปาติกะมาใช้คุนสีเพนเป็นสื่อ ให้ผู้ที่มาชุมนุมในคืนนั้นได้ประจักษ์ในความจริงอย่างไม่มีปัญหาขอกราบแสดงคาระวะอย่างสูงแด่โอปปาติกะทั้งสองนั้นมาณที่นี้ลงชื่อสิริพัฒนกรมจร15มีนาคมพุทธศักราช2515